ต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิในท่าที่ตนถนัดก่อนอื่นอาตมาขอโนโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายมาสนใจ ในการปฏิบัติทำสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความเจริญด้วยคุ ณ, ณธรรมเพื่อเกิดความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติ เพื่อละความทั่วจเจริญความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึก เพ่อเราจะฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติมีฐานที่ตั้ง้าจิตไปรู้อยู่สิ่งใดสติมั่นคงอยู่ที่นั่นที่นั่นก็เป็นที่ตั้งของสติซึ่งเรียกว่าสติปัฏฐาน ตามหลักปริยัติท่านบัญญัติว่าสติเลึกละลึกไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมกายเวทนาและจิตธรรมนี่เป็นธรรมะโดยธรรมชาติ เมื่อกายเวทนาจิตธ ร, รมเป็นธรรมะโดยธรรมชาติการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติธรรมก็ควรจะได้เป็นไปตามหลักของธรรมชาติพระธรรมที่เราเรียนกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่นี่เป็นธรรมชาติแท้ เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายกับใจของเรานี่ก็เป็นธรรมะสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เราจะพึงประสบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไหล่ใจก็เป็นธรรมะ สิ่งเหล่านี้เลยเป็นธรรมะอันเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งลูลของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติการปฏิบัติทุกปวรจะได้ฝึกสติให้ลูลอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบันและอารมณ์ในปัจจุบัน <c oughs> จนกระทั่งเราสามารถมีสติที่และเลึกรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันสามารถกำหนดหมายรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณนัธรรม ส่วนวิธีการต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังและได้ยืดเป็นหลักปฏิบัติมาบ้างอันนั้นเป็นวิธีการการภาวนาพุทโธก็วิธีการสัมมาอรหังก็วิธีการยบหน้อพองน้อก็วิธีการ พิจารณากายกตาสติกำหนดรมอนาปานุสติก็วิธีการแม้จะพิจารณารูปธรรมก็วิธีการวิธีการที่เราตั้งใจปฏิบัติเอาตามแบบแผนตามตำลักตำราหรือตามที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมา <c oughs> สิ่งจะรวมลงสู่หลักคือสมถะและวิปัสสนาซึ่งเราเรียกว่ากรรมฐานสองหรือภาวนาสองก็เรียกแต่เมื่อเราปฏิบัติตามวิธีการแล้วเมื่อจิตคล่องตัวต่อการปฏิบัติตามวิธีการหลังจากนั้น จะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจยกตัวอย่างเช่นเราปฏิบัติตามวิธีการการบริกรรมภาวนาพุโทโธเป็นต้น mm hmm. เมื่อบริกรรมภาวนาไป จิตเกิดมีอาการสงบผู้ฟาบลงไปแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกขตาส <c oughs> ่งนจิตยังมีวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกขตาคือยังมีบริกรรมภาวนาอยู่ แล้วมีสติลูลพรลอมอยู่แล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติให้จิตดำเนินอยู่ในระดับนี้สมาธิยั้งอยู่ได้นา น, าน อาจจะเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็แล้วแต่ก็เรียกว่าทำสมาธิได้ปฐมฌมานทีนี้ส่วนตัววิตกที่คำว่าวิตกนั้น <c oughs> อารมณ์จิต ท, ที่เรากำหนดอยู่ดั้งเดิมนั้นเช่นพูดโทเป็นตนเมื่อเจสงบลงไปกายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขบางทีโพธโทอาจจะหายไปเมื่อโพธโทหายไปนักสอนสมาธิทั้งหลายท่านว่าเมื่อโพธโทหายไปจิตไม่เนื้อโพธโทแต่ไปคิดอย่างอื่นท่านก็ให้ดึงมาหาโพธิโทอีก ในธรรมนองนี้จิตของท่านผู้ภาวนาก็จะได้เริ่มต้นอยู่อยู่ที่ขั้นเริ่มต้นไม่มีการก้าวหน้า้อสังเกตถ้าจิตหยุดบริกรรมภาวนาแล้วแต่หากมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งหนึ่ง คือรู้อยู่ที่อารมณ์จิต ท, ที่เกิดดับเกิดดับหมายถึงความคิดคือตอนแรกจิตนั้นมันคิดถึงโพทโทพโทพโทโอโพธโอแต่พอเที่ยงโพทโธปักไปคิดถึงสิ่งอื่นขึ้นมาสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ปล่อยให้จิตคิดไปไม่ต้องดึงมาหาพุโทโธอีก เราไม่ข้อจะพึงสังเกตได้อยู่ว่าถ้าจิตเที่ยงพุทโธไปไปคิดอย่างอื่นแต่ไม่มีองค์ประกอบคือไม่มีปีติไม่มีความสุขก็ควรจะดึงกลับมาหาพุทโธใหม่คือมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าหากรู้สึกว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปมีปมีติมีความสุข เกิดเพ่งโพธไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาแต่ปีติความสุขยังปรากฏอยู่ปล่อยให้คิดไปไม่ต้องดึงมาหาพุทโธอีกเกิดเขาอาจจะคิดไปเหนือไปใต้คิดถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรต่างๆจีปาถะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศล ล้าปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามโรโรโรโรโรโรไปอันนี้เคล็ดตอนนี้ตอนนี้เป็นจุดสำคัญมากแต่ทั้งหลายมักจะคิดว่าเมื่อจิตทิยงพุโทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นดึงมาหาพุโทโธอีกอาตมาจะขอให้ในไว้ว่า <c oughs> ถ้าหากว่าจิตยังไม่มีตีติยังไม่มีความสุขเที่ยงพพธโธแล้วไปคิดอย่างอื่นให้ดึงกลับมาหาพพธโรอีกให้บริกรรมพพธโรต่อไปแต่ถ้าจิตเกิดตี ต, ติเกิดความสุขเที่ยงพพธโธไปคิดอย่างอื่นถ้าตีติและความสุขยังอยู่ไม่ต้องดึงมาหาพพธโธอีก ปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติของจิตในเมื่อคิดไปคิดไปความสงบของจิตก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วปีติและความสุขบังเกิดขึ้นอย่างแรงในถามกลางแห่งความคิดนั่นแหละเมื่อภาวนาแล้วเกิดปีติเกิดความสุข แล้วก็มีความคิดยิ่งปีติเกิดขึ้นก็ยิ่งคิดเร้วมากขึ้นแล้วยิ่งมีปีติก็ยิ่งมีความสุขใจยิ่งขึ้นเมื่อมีปีติมีความสุขจิตก็ย่อมจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตคือความคิดนั่นเองเมื่อเิดไโสดท่วงก็ติดหยุดคิด ปีติและความสุขก็ยังอยู่แล้วจิตจะค่อยสงบเข้าไปละเอียดทีละน้อยน้อยปีติหายไปยังเหลือแต่ความสุขเดือจางในที่สุดความสุขก็หายไปแล้วร่างกายก็หายไปด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็เดินเข้าไปสู่ในไปอยู่ในอัปปนาสมาธิหรือบางท่านเรียกว่าฌานสี่ในการสังเกตความเป็นไปของจิตควรจะได้สังเกตอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ในเมื่อจิตไปสงบละเอียดนิง่ง จนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมดนอกจากร่างกายตัวตนจะหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอย ห, หายไปด้วยยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นิ่งสว่างลอยเด่นแต่ตอนนี้จิตอาศัยความสว่างของจิตเป็นอารมณ์ สติเอาความสว่างของจิตเป็นที่ตั้งเป็นฐานที่ตั้งของสติเพราะสมาธิในขั้นนี้เอาความสว่างของจิตเป็นอารมณ์ความสว่างท่านก็จัดว่าเป็นรูปท่านจึงจัดฌานสี่เข้าในหมวดโูคฌานเพราะจิตจังยึดความสว่างอยู่ างนี้ถ้าหากว่าจิตของผู้ปฏิบัติไปสงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างนั้นพอสมควรแล้วเสื่องแล้วแต่เวลาที่เราจะกำหนดไว้ว่าเราจะภาวนาสักกี่ชั่วโมงเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาพอย้อนมารู้สึกว่ามีกายขึ้นมาเท่านั้นแหละ ความคิดมันจะเกิดขึ้นมาฟุง้งฟุ้งฟุงฟุ้งฟุ้งุ ง, ง, ง, งขึ้นมาบางทีสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นมาบางทีบางท่านในจุดนี้ก็เข้าใจว่าจิตพุ้งซ่านอีกนั่นแหละแล้วก็โม่แต่จะไปบังคับจิตให้เข้าไปสู่พานสงบนิ่งนั่นเป็นการปฏิบัติไม่ถูก หาท่านจะถามว่าเมื่อิจสงบเป็นสมาธิแล้วจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาเมื่อไรก็เมื่อนี่แหละเมื่อถึงจุดที่ว่านี่แหละยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาในตอนนี้แหละคือเมื่อิจสงบนิ่งเป็นสมาธิจนกระทั่งตัวหายพอจิตถอนจากสมาธิอันละเอียดมาแล้ว พอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้น <c oughs> ความรู้ความคิดอาจจะเกิดขึ้นมายังกระ น, น้ำปุกซึ่งเป็นความรู้ความคิดที่รั้งไม่อยู่ก็ควรปล่อยให้คิดไปให้จิตดำเนินการคิดไปตามโดยอัตโนมัติอย่าไปห้ามอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุง้งซ่าน าหากสติสัมปชัญญะยังไม่ตามรู้โดยอัตโนมัติก็ให้กำหนดตามรู้รู้โดยการตั้งใจาหากว่าสมาธิยังไม่มีพลังงานเพียงพอหรือประสมาธิในทางที่จะให้เกิดปัญญายังไม่เข้มแข็งขอ พอเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเราตั้งใจกาหนดรู้เขาจะหยุดคิดทันทีในเมื่อเขาหยุดคิดปล่อยให้หยุดอย่าไปตั้งใจช่วยเขาคิดในเมื่อจิตหยุดคิดแล้วก็กลายเป็นความว่างพอว่างแล้วก็กำหนดรู้ความว่างอยู่อย่างนั้น ในเมื่อเราตั้งใจกำหนดดูความว่างอยู่อย่างนั้นในขณะนั้นอะไรจะปรากฏเด่นชัดที่สุดนอกจากลมหายใจไปไม่มีก็กำหนดรู้ลมหายใจทันทีเมื่อกำหนดรู้ลมหายใจถ้าหากว่าจิตอู่กับลมหายใจเขาหยุดคิดก็ปล่อยให้อยู่กับลมหายใจเรื่อยไป าหากว่าจิตดวงใดสามารถยึดอารมหายใจเป็นที่ตั้งหรือสติยึดอารมหายใจเป็นที่ตั้งตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้พยายามดูเฉย อ, อยู่อย่าไปบังคับจิตอย่าไปคมจิตให้เกิดความสงบเพียงจะกำหนดรู้เฉย อ, อยู่เท่านั้น าหากว่าในตอนนี้จิตเที่ยงลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเช่นเดียวกันทีนี้ถ้ากำหนดู้แล้วจิตไม่หยุดคิดก็ปล่อยให้คิดเลื่อยไปพอกำหนดู้ปั๊บจิตไม่หยุดคิดก็แสดงว่าพลังทางปัญญากำลังจะแก่กล้าขึ้นแล้วก็ปล่อยให้คิดเลื่อยไป ในขณะที่เราปล่อยให้จิตคิดไปเรามีสติกําหนดรู้ไปเราจะรู้สึกเพลินไปกับความคิดแต่ความเพลินนี่หลายท่านเข้าใจว่าสติมันเพลินสติมันหลงอารมณ์แต่ความจริงจิตกําลังจะมีสติยึดมั่นอยู่ในอารมณ์คือความคิดที่เกิดดับอยู่ เมื่อเราปล่อยให้คิดไปจะรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือกำหนดรู้อยู่ที่จิตที่คิดอยู่ไม่หยุดในขณะที่จิตคิดนั้นจิตเป็นผู้คิดสติเป็นผู้กำหนดรู้จะรู้สึกสักแต่ว่าคิด สักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความคิดนั้นว่าเป็นอะไรสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปในเมื่อเจตคิดไปสุดท่วงแล้วจจตตัดกระแสะแห่งความคิดเข้าไปสู่ความสงบนิ่ง นิ่งสว่างบางทีก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเช่นเคยหรือบางทีอาจจะรู้สึกแต่เพียงแค่ว่าสงบผู้ภาไปนิดหนึ่งแล้วก็ไปนิ่งพอจิตไหวตัวออกมาพอ ร, รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นแล้วเขาจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองมาอ้อความคิด เป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดเป็นอารมณ์ที่มายั่วยุให้เราเกิดความยินดี เกิดความยินร้ายก็จะมองเห็นตัวกิเลสความยินดีกามตัณหาความยินร้ายวิภวตัณหาหาจิตยึดอยู่ในความยินดียินร้ายก็กลายเป็นภาวะตัณหาก่อพบก่อชาติกันที่ตรงนี้เมื่อจิตมาก่อพบก่อชาติที่ตรงนี้จิตก็ มีความปรุงแต่งแต่ว่าความรู้ความคิดสติปัญญามันก็ยิ่งเกิดมากขึ้นถ้ายังมีการมตจันหาภาวะัจันหาวิภาวะตัจันหาอยู่ความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตท่านย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติ เมื่อความสุขแล้วความทุกข์ปรากฏขึ้นจิต ท, ที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะกาหนดหมายรู้ว่านี่คือทุกขริย y a s a t ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วจิตก็มีสติกหนดรู้ทุกข์ที่เกิดจับในที่สุดจะได้ความรู้ว่า นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วก็จะได้รู้ความจริงคือรู้ธรรมะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับซึ่งจะไปตรงกับคาในธรรมจกกักระวัตตนสูตรที่ว่า ยังกินจิตสมุทัยธรร ม, มังสัพพันธังนิโรธธรรมมันติสิง่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งั้่นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เป็นวิถีทางหนึ่งที่จิตจะเดินไปโดยตามกฎของธรรมชาติของสมาธิ ทีนี้อีกทางหนึ่งที่มันจะเป็นไปเมื่อจิตย้อนมากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ได้กําหนดหมายว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดซึ่งจิตเขาจะรู้อยู่เองโดยอัตโนมัติเพราะเขาเป็นผู้รู้ เขาเป็นผู้ดูเขาจะต้องรู้แจ้งชัดเจนในสิ่งที่เขารู้เขาเห็นรู้เห็นโดยไม่ต้องพูดต้องจาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าลมหายใจยาวลมหายใจสัน้นลมหายใจจาบลมหายใจละเอียดเพียงจะดูอยู่เท่านั้นเขาก็รู้ความจริงของลมหายใจ การรู้ความจริงของลมหายใจสั้นยาวจาบละเอียดก็เป็นการรู้ธรรมเห็นธรรมขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจิตตัวนี้กําหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ตลอดไป <c oughs> จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตสงบละเอียดตรงไปละเอียดลงไปลมหายใจก็พลอยละเอียดลงไปด้วย ในบางครั้งอาจจะมองเห็นลมวิ่งออกวิ่งเขา้าต่างแต่เนื้อสะสือสองนิ้วแล้วก็วิ่งมาที่จมูกวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นเหล่ายาวเหมือนกันก็อีปุยนุ่นหรือไ้าซึ่งอยู่ในทํากลางแห่งแสงสว่างฉะนั้น แต่ท้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนหรอกเป็นแต่บางคนบางท่านเท่านั้นเองแล้วถ้าจิตตามลมหายใจรู้ ล, ลมหายใจออกหายใจเข้าอยู่เป็นปกติบางทีจิตเกิดควานสงบละเอียดลงไปในขณะที่จิตกาหนดรู้ ล, ลมหายใจและมีสติรู้รลอม จิตจดอารมณ์หายใจเป็นอารมณ์สติรู้พร้อมอยู่ที่นั่นจิตได้วิตกวิจารโดยอาศัยลมหายใจเป็นอารมณ์ก็เป็นจุดเริ่มของปฐมฌมานาหากว่ามีทีตีมีความสุขบางเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วจิตเป็นหนึ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่หวันไห ก็ได้ปัสโหมชาญโดยสมบูรณ์ทีนี้ถ้าว่าเจตดวงนี้วิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายทิ้งลมหายใจแล้วไปสงบนิ่งว่างสว่างอยู่ภายใน่ํำกลางตัวลมหายใจไม่ปรากฏ เมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางตัวถ้าจิตสรงกระแสแห่งความสว่างพุ่งออกมาข้างนอกหรือพุ่งไปทั่วร่างกายก็ไปเกิดพิตกวิจารอยู่ภายในร่างกายจิตจะได้มองเห็นผมขนและบฟันหนังเนือเอ็นกระดูก ทั้งร่างกายตั้งแต่เบื้องต่ำขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่เบื้องบนลงมาเบื้องต่ำมองเห็นปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าหายใจออกมองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโดยเหตดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารอันละเอียด ไว้สำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายส่วนใดขาดเข้าแทนที่อยู่เสมอทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายที่ทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพิ้ว เส่งล้วนแต่เป็นเครื่องบริหารร่างกายให้มีความสุขสมบูรณ์มีกำลังวังชาเลือดลมหมุนเวียนตั้งแต่เบื้องบนลงเบื้องล่างตั้งแต่เบื้องล่างไปเบื้องบนจิตตรงนี้จะมองเห็นหมดทุกสิ่งส่วนภายในร่างกายเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อจิตมาูลเห็นทั่วท่วนหมดภายในร่างกายเนี่ย ก็เกิดเีกาจกตาสติสูตรอายังขคเมกาอยู่กายของเรานี่แหละอุดทางปาดตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยนันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ โโลโนานัปการัสสะสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิอิมัสฉมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บ ดันตาคือฝันตโจคือหนังมังสังคือเนื้อนหารุเคยเอ็นทั้งหลายอัทิคือกระดูกทั้งหลายอัทิเมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัดได้ยังหัวใจยักนังตบ กีโลมากังสังขืดปีหักังไตปาหาสังพอดอันตังไสใหญ่อันตะกุนังไสน้อยอดดริยังอาหารใหม่กะลีสังอาหารเก่าปดตังน้ำดีเสมหังน้ำสลิดโปุบโบน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือด เสดอน้ำเงือเมโดน้ำมันค้นอัดสูน้ำตาวสาน้ำมันเหลวจิตตรงนี้จะมองเห็นทั่วท่วนหมดในขณะจิตเดียวและเมื่อจิตไปนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางตัวแหรจะมีความสว่างพุ่งออกมาข้างนอกจากข้างในมาข้างนอก ยอมมองเห็นหมดทุกสิ่ง่วนภายในร่างกายอันนี้ท <c oughs> ินี้จิตในขั้นนี้ก็เรียกว่าจิตดำเนินอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเต็นแต่เพียงรู้ว่าสิ่งต่างๆของร่างกายมีอันนั้นอันนั้นเท่านั้น ต่อไปแล้วจิตดวงนี้มันจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อจิตมาตั้งมั่นคงกำหนดรู้อาการสามสิบสองอยู่โดยอัตโนมัติสมาธิก็เป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติความรู้ความเห็นต่างๆก็เป็นเองโดยธรรมชาติ เรียกว่าสมาธิก็ธรรมชาติอารมณ์ก็ธรรมชาติถ้าหากว่าจิตตวงนี้ยังไม่มีพลังพอที่จะก้าวหน้าต่อไปก็จะพาดำเนินถึงขั้นนี้แล้วก็มาลู้อยู่ภายในกายนี่แหละถ้าจิตดำเนินดูเพียงแค่นี้ประโยชน์ที่จะพึงได้ ทำให้จิตมั่นคงทำให้สติตมีฐานที่ตั้งอย่างมั่นคงทำให้จิตสามารถรู้อวัยวะอาการสามสิบสองครบถ้วนเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานสร้างพลังจิตเป็นฐานสร้างพลังสติและปัญญา ตอนนี้จิตของนักปฏิบัติกำลังอาศัยวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกของสติเป็นสิ่งลูกของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นนามธรรมกลายเป็นลูกธรรมในเมื่อสองอย่างนี้มาสัมผัสกันอย่างสนิทแนบนั่น มันจะทำให้เกิดพลังงานอันหนึ่งที่มั่นคงคือสมาธิติดตั้งมัน่นแล้วสติสัมปชัญญะจะเด่นขึ้นมาเกิดศรัทธาวิรยาสติสมาธิและปัญญาในขั้นตน้นเป็นที่รวมของพระหา้าคือศรัทธาวิรยาสติสมาธิปัญญา เป็นสถานที่รวมแห่งองค์อริยมรรคเรียกว่าเอกมรรคเอกธรรมจิต้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือกายนี้ไม่ออกไปข้างนอกเป็นฐานสร้างพลังจิตเป็นฐานสร้างพลังแห่งสติปัญญาเมื่อจิตมาสร้างพลังอยู่ที่ตรงนี้แล้วจิตก็สงบและอียิ่งเข้าไปกว่านี้ แตวว่าปล่อยวางวิตกคือไม่ได้นึกถึงร่างกายแล้วปล่อยวางวิจารณ์เรามีปีติมีความสุขจนกระทั่งรู้สึกว่ากายนี่หายไปจากความรู้สึกของจิตยังเหลือแต่จิตที่ไปลอยเด่นอยู่ใน่้ำกลางแห่งความว่าง <c oughs> ย้อนกลับเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอันละเอียดที่ไม่มีตัวมีตนอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าพลังจิตนี้ยังไม่สามารถที่จะทะลุโลภทานไปได้ก็จะไปยับยั้งอยู่ในจตุธาชาน ถ้าหากว่าจติตรวงนี้มีพลังพอสมควรจะทะลุขึ้นไปถึงอารูปฐานจิตจะกำหนดหมายรู้อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศสานัญจาตนะะเมื่อกำหนดรู้อากาศที่มีความกว้างวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ จิตลอยเคลงฟางอยู่ในถ้ำกลางแห่งความว่างไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนอยู่สูงอยู่ต่ำเพียงใดแค่ไหนไม่มีจุดหมายกาหนดแล้วในที่สุดจิตจะควานหาตัวรู้คือตัววิญญาณมากาหนดวิญญาณด้วยว่าวิญญาณนันจาเจตนะ ใจยับยังรู้อยู่ตรงที่วิญญาณคือตัวรู้กําหนดวิญญาณรู้นี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดจนเกือบจะไม่มีการกําหนดรู้คําว่ากําหนดนี่ก็เป็นแต่เพียงโวหาร น, นะจิตจะกําหนดลูลของเขาไปเองโดยที่เราไม่มีสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้น เิตถึงขั้นนี้แล้วเขาจะปฏิบัติตัวไปเองแล้วเขาจะเป็นไปเองจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวรู้คือวิญญาณได้อี่มลงไปสัญญาเวทนาหายขาดไปหมดซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธเข้านิโรธสมาบัติ นิโรธสมาบัตในขั้นนี้เป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะกระโดดข้ามโลกีขึ้นไปสู่โลกุตละเมื่อจิตยักยั้งอยู่ในนิโรธสมาบัตพอสมควรแล้วสร้างพลังเพียงพอ เกจะเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งแผ่ความสว่างสวัยคลุมจั ก, กรวาลทั้งหมดสามารถมองทะลุตั้งแต่อเวจีมหานรกสูงสุดจดกลมโลกโดยรอบจดขอบเกตแห่งจั ก, กรวาลมองทะลุบาดาลถึงพิภพพญานาะค อย่ามองเห็นต้นไม้โูเขาเหล่ากาผืนแผ่นดินดินฟ้าอากาศทั่วทวนหมดไม่มีสิ่งใดจะมาปิดบังความสว่างสบายของจิตดวงนี้ได้พระจันทร์พระอาทิตย์แม้มีรัศมีแท่คลุมโลกอยู่แต่ก็ส่องสว่างไปได้ในเฉพาะที่ไม่มีสิ่งกำบงัง แต่พระจิตดวงนี้จะมองทะลุหมดไม่มีอะไรปิดบางได้เผินแผ่นดินหนาทั้งสี่แสนแปดหมื่นยออะไรทำนองนี้จะมองทะลุหมดนอกจากจะมองทะลุแล้วยังเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์เห็นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ควักไฟไปหมดในขณะจิตเดียว จิตจะไปยับยั้งรู้เห็นอยู่แต่ว่ารู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติตอนนี้เป็นสัจธรรมความเป็นจริงบังเกิดขึ้นกับจิตแล้วธรรมชาติของสัจธรรมจะต้องไม่มีภาษาสมมติบัญญัติมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้น เห็นคนก็ไม่ว่าคนเห็นสัตว์ก็ไม่ว่าสัตว์แม้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรในตอนนี้มีแต่สิ่งที่รู้อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้มีแต่ตัวผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อยู่เท่านั้นปรากฏเด่นชัดในท่ามกลางแห่งความสว่างไสวของจิต เมื่อจิตจับยั้งอยู่ในขั้นนี้พอสมควรพอจิตถอนจากสมาธิมาแล้วย้อนกลับมาสู่ความรู้สึกว่ามีกายอีกทีถ้าจิตดวงนี้ไม่มีปัญญาพอจะอธิบายสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นได้ก็ต้องย้อนถอนออกจากสมาธิมาเลยมาสู่สภาพเป็นอยู่อย่างธรรมดาธรรมดา แต่ถ้าว่าจิตดวงนี้ถอนจากสมาธิแล้วถ้ามีพลังพอที่จะเกิดปัญญาความรู้ในสิ่งนั้นๆพอรู้สึกว่ามีกายพักสิ่งเหล่านั้นหายไปยังจะสัญญาความทรงจำจิตดวงนี้จะอธิบายให้ตัวเองฟังว่าสัตว์ตัวนั้นคือเราในชาตินั้นพบนั้นคนคนนั้นคือเราในชาตินั้นพบนั้นสัตว์ตัวนั้น เมื่อก่อนเคยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเจตจะสามารถกำหนดรู้ได้หมดซึ่งเรียกว่าบรรลุภเพนิวาสานุสติญาณทีนี้หลเมื่อมองเห็นความเป็นไปของสัตว์มีประเภทต่างๆกันเจตก็จะสามารถกำหนดรู้การจุดติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายสามารถกาหนดรู้พิจารณาเรื่องกรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิด สัตวที่เป็นประเภทต่างๆกันก็เพราะกรรมเป็นผู้จําแนกก็รู้จุตูปปาตยานกรรมมัสกตาญาณกรรมังสเตวิพัจจิสัตกรรมย่อมเป็นสิ่งจําแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงในกฎของกรรมภูเพนิวาสานุสติจานรู้แจ้งเห็นจริงในการเรียนว่ายตายเกิด อยตรรูตป่าป่าจายานกรรมมัสกตายานสามารถให้เกิดรูปกรรมอันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้สัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดจุติปฏิสนธิไม่รู้จักจบจากสิ้นในเมื่อโล่แจ้งชัดแจ้งในในสองประการนี้แล้วเจะพิจารณาต่อไปว่าอะไรหนอที่มันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทําบาปทํากรรมเนี่ย อะไรกันถ้าหากว่ามีปัญญาพอที่จะรู้ได้ก็จะรู้ว่าอาวิชาเป็นต้นเหตุอวิชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้ทำกรรมตามที่ตนเข้าใจว่าเป็นการถูกต้องแต่กรรมบางอย่างก็เป็นบาปกรรมบางอย่างก็เป็นบุญในเมื่อทำลงไปแล้วย่อมมีผลซึ่งเรียกว่าวิบาก เมื่อมีวิบากแล้วอาศัยวิบากนั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิน้นจนกว่าอารหัตตมักขยานจะบังเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้บำเพ็ญเพียรนานได้จึงจะตัดกระแสะแห่งอาสวะกิเลสคืออวิชชาตัวสำคัญนี้ให้ขาดเส้นไปจากจิต จิตหมดเจตเดแล้วก็ตัดกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพาะฉะนั้นอวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นเหตุให้ปรุงแต่งนี่มันก็จบสิ้นกันเพียงแค่นี้ก็ได้บรรลุถึงที่สุดคืออริยมรรคอริยผลคือพระอระหันต์ในเมื่อพิจารณาตามที่กล่าวนี้แล้ว เราจะจับเข้าก า, การเดินของจิตได้สองวิถีอสองทางทางหนึ่งจิตออกไปรู้สิ่งภายนอกก่อนอีกทางหนึ่งนี่จิตย้อนเข้ามารู้ภายในกายแล้วมองทะลุ ก, กายไปจนทังบรรลุปุกเกนิวาสานุสติญาณกัมมัสกัตตุปะจายานแล้วก็อาสวัคคย า, ยานเป็นลาดับ เพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้น <c oughs> แม้ว่าเราจะอาศัยคำบริกรรมภาวนาเป็นหลักในเบื้องต้นก็าตามแต่เมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วจิตจะปฏิวัติตนไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติทั้งหลายควรจะได้ระมัดระวังกันที่ตรงนี้ บางทีบางท่านเคยทำสมาธิจิตสงบเป็นอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิจงกระทังได้ฌานได้ยานทีนี้ภายหลังมานี่จิตไม่สงบอย่างนั้นอีกแล้วจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามสมาธิมันจะมีอยู่ทุกลมหายใจตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิด แล้วโอกาสที่จะรับเนินก็ไปสู่ความสงบอย่างที่เคยนั้นจะมีน้อยลงไป <c oughs> จะทำให้นักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจผิดว่าภูมิจิตของตนเองเสื่อมดังนั้นเจงใครที่จะขอนำโอวาทของครูบาอาจารย์ตามที่ได้จดจำมามาเล่าพอเป็นคติเตือนใจของนักปฏิบัติทั้งหลาย ปรมอาจารย์องค์แรกของเราคือท่านอาจารย์เสวกันตสีโลท่านเคยโพูดอูเสมอว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดเมื่อไปถามท่านจริงๆแล้วท่านจะบอกว่าถ้าถามท่านว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิจิตเสื่อมหรือว่าภูมิจิตมีความเจริญก้าวหนะ้า ท่านบอกว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ก่าวนะนี่เป็นปริศนาที่นักปฏิบัติจะต้องวิจัยให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ ง, งหลักในภาษาบาลีมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิต เพราะฉะนั้นเมื่อศียบริสุทธิ์ที่สมาธิเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิบรรันดาลให้เกิดปัญญาคือความคิดความคิดอันใดมีสติรู้ทันทุกนาจิตที่คิดเรียกว่าสมาธิปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าอาวิชชาความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิชชา ความคิดอันใดมีสติรู้ทันรู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมัน่นถือมั่นในความคิดนั้นคิดแด้ก็ปล่อยวางไปคิดแล้ก็ปล่อยวางไปไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนความคิดอันนั้นเป็นปัญญาในสมาธิซึ่งประกอบด้วยวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงจิตจึงไม่ยึดสิ่งนั้น สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้เป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาโอวาทของท่านอาจารย์มั่นเทติภูตังเทติภูตังของหลวงปู่มั่นนี่หมายความว่าอย่างไรนักปฏิบัติควรจะวิจัยพิจารณาให้มีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดเทติ หมายถึงจิต ท, ที่เป็นสมาธิตั้งมัน่นนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่โพตังหมายถึงสิ่งรู้ที่ปรากฏการขึ้นอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับมีสิ่งที่มาวนรอบจิตอยู่แต่ไม่สามารถเข้าไปถึงแกนในของจิตได้สักแต่มาแต่แต่พอรู้เท่านั้นก็หายไปรู้ ก, ก็หายไป ไม่ได้ซึมทราบก็ไปในแกนในของจิตจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นซาแกว่าคิดคิดแล้วก็วางไปสภาวะที่คิดที่รู้ที่มาบนรอบจิตอยู่นั้นคือปูตังได้แก่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติชีติิตจิตก็ตั้งเด่นอยู่โดยธรรมชาติของจิตที่มีสมาธิมีความมั่นคง นี่เป็นโอวาทของท่านอาจารย์มัน่นโอวาทของท่านอาจารย์ฟัน่นจะปล่อยให้จิตมันอยู่ว่างคำว่าจะปล่อยให้จิตว่างหรือหมายความว่าอย่าว่างจากการกำหนดรู้จิตให้มีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่ เราก็จะรู้ว่าบาปเกิดขึ้นที่จิตบุญเกิดขึ้นที่จิตสุขเกิดที่จิตทุกข์เกิดที่จิตความรู้ความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดที่จิตทุกสมุทัยนิโรธมากเกิดที่จิตในเมื่อเรามีสติกำนดรู้จิตโอวัตของหลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาด สมาธิในฌานหมายถึงสมาธิที่จิตสงบนิ่งไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวหรือรู้เพียงแค่ในจิตอย่างเดียวไม่ยอมรับรู้สิ่งอื่นอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานเป็นอารัมมณูปนิชฌานทีนี้สมาธิอีกอย่างหนึ่งนั้นมันมีความรู้ปุดขึ้นมาอยู่เรื่อย เขาในลักษณะที่ถีติโพตังของลุงปู่มั่นนั่นเองความรู้ความคิดอ่านเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความคิดอ น, นั้นเป็นแต่เพียงว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วปล่อยวางไปรู้แล้วปล่อยวางไปจิตก็สงบนิ่งสว่างสบายอยู่อะไรวิ่งเข้าไปถึงรัศมีของจิตแล้วมันก็ตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟ อันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่หลวงปู่เทตทีนี้โอวาทของหลวงปู่แหวนท่านเจ้าคุณให้กำหนดโลดจิตอย่างเดียวูที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่จิตเมื่อมีสติปัญญาแล้วมันจะรู้มันจะรล้สิ่งที่จิตมันรู้เองว่าอะไรเป็นอะไร บาเกิดที่จิตบุญเกิดที่จิตสุขผู้เกิดที่จิตโอวาดของท่านอาจารย์มหาบัว <c oughs> ปัญญาอบรมสมาธิลักษณะของปัญญาอบรมสมาธินี่มันเป็นอย่างไรเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงได้ผ่านเนเคยพิจารณามาแล้ว เพระว่ามาเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็หลายปีหรือก่อนนั้นปัญญาอบรมสมาธินี่มันก็หมายถึงว่าตอนแรกเราอาจจะใช้ปัญญาแบบสติปัญญา <c oughs> แบบสติปัญญาคือตั้งใจคิดเอาคิดเอาคิดเอ า, เอ า, เอาพิจารณาเอาพิจารณาเอา เช่นอย่างจะพิจารณารูปนามพิจารณารูปเปทนาสัญญาสัางขารวิญญาณน้อมเข้าไปสู่พระไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรไม่เสี่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ตั้งใจคิดเอาคิดเอาคิดเอ า, เอานี่เป็นภาคปฏิบัติในเมื่คิดไม่หยุดจังพิจารณาไม่หยุดยอนสติสัมปชัญญะมันบงังเกิดขึ้นมีพลังแก่กล้าขึ้น แล้วก่อขับจิตที่สงบเป็นสมาธิบ้างพอสมควรหรือสงบในระดับอุปจารสมาธิมีเปีตมีความสุขบ้างเกิดขึ้นความคิดมันก็ฟง้งฟงฟ ง, งขึ้นมาในเมื่อเราไม่เข้าใจเพียรปล่อยให้มันคิดไปให้มีสติกำหนดตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปพอมันไปโสดท่วงมาแล้วมันจะหยุด พอหยุดแล้วก็สงบผู้ลงเป็นสมาธิทีนี้สมาธิละเอียดลงไปเพราะว่าจิตมันละเอียดสมาธิก็ละเอียดเพราะสมาธิเป็นกิริยาของจิตจิตสงบละเอียดสมาธิก็ละเอียดลงไปตามขั้นตอนจนได้บรรลุปสมมาชฌานทุนติยะฌานตติยะฌานจตุทัชฌาน อากาศสานัญจายัตนะวิญญาณัญจายัตนถหากใครจะเจิดไปจนถึงที่สุดก็เนวสัญญาณาสัญญายัตนะย้อนกลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้ในเมื่อเปิจนคล่องตัวชำนิชำนานแล้วความคิดปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเอง ความคิดปัญญาเกิดขึ้นมาเองมีสติรู้ทันอยู่โดยอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติตัวรู้ก็เป็นอัตโนมัติพวกสิ่งทุกอย่างมันเหมาเจาะกันพอดีพร้อมพอดีจิตก็ปฏิวัติไปสู่ภูมิความรู้สติก็ไล่ตามไปจิตก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปยิ่งคิดแล้วเท่าไหร่จิตก็ยิ่งผองใส ยิ่งคิดแล้วเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกบานกลายเป็นผู้รล้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เป็นลักษณะของปัญญาอบรมจิตหรือปัญญาอบรมสมาธิเพราะว่าสมาธิกับปัญญามันไปพร้อมกันสมาธิขั้นสมถานานั้น เมืเ่อจิตสงบลงไปแล้วมันมีแต่สมาธิอย่างเดียวอันนั้นเดียวกว่าสมาธิสมถะแต่เมืเ่อจิตสงบลงไปแล้วสติปัญญาความรู้มันบางเกิดขึ้นอันนี้เดียวกว่าสมาธิในวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดไปบ้างอย่าไปห้ามมันมันคิดไปแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเพราะการกําหนดตามรูปความคิดนั่นแหละ เอองั้นอย่าไปข้องใจสงสัยทีนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดมีความค้องใจ <c oughs> ในหลักะวิธีการในการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลายหลายฝ่ายพากันอบรมสั่งสอนอยู่เช่นโพธิโยบนอพองน้อสัมมาอารหัง บางท่านก็มาถามว่าภาวนาแบบไหนเนาะจิตมันจริงจะได้สมาธิเกิดปัญญาเร็วลู้ธรรมเร็วมันไม่มีวิธีการอันใดหรอกมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงพุดโธก็อารมณ์จิตสัมมารหังก็อารมณ์จิตยบหนอพองหนอก็อารมณ์จิต เป็นเสือนำจิตให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิทางนั้นถ้าใครไม่เกอดวิธีการจนเกินไปจะทำสมาธิแบบกำหนดรู้จิตของตนเองเฉยๆอยู่ก็ได้ไม่ต้องไปนึกพธดโยกหนาะองหนาสัมมาอรหังถ้าข้องใจหนักๆเข้าก็ให้นึกไปถึงโน้น สมัยที่ท่านชายสิทธัตถะแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้นั่นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่มีท่านชายเอาโพุิ์ ท, ที่ไหนหนอเอาสัมมาอรหังที่ไหนหนอเอายศยบหนอพองหนอที่ไหนหนอมาท่องกันนั่นะจะไปข้องใจสงสัยอะไรนักหนา หลักของการทำสมาธิอยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งรละลึกอะไรก็ได้ท่านชายศิทาถาไปบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาหกปีไปปฏิบัติตามวิธีการของพวกฤาษีชีพัยในสมัยนั้นทุกแบบทุกวิธีการบางท่านก็สอนให้ท่องมนอยูัยงก็ทางคอก บางท่านก็สอนให้เท่งกสิณ บ, บางท่านก็สอนให้ทรมานตนด้วยการอดข้าวอดน้ำทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆแต่เสร็จแล้วก็ไม่เป็นทางที่จะให้ตรัสรู้แล้วในช่วงนั้นเข้าใจว่าท่านไม่ได้ท่องพุโทโธสัมมาระหังยบหนอพองหนอนี่เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิด เราพุทธบริษัทจะมาข้องใจสงสัยกันไปถึงไหนลองหัวนนึกไปถึงล น, นสิหลังจากที่พระองค์เลิกละการบาเพ็ญทุกขลกิริยาแล้วที่พระองค์มาปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ปฏิบัติอย่างไรอาศัยอะไรเป็นหลักเมื่อพระองค์ได้รับ ข้ามาโทปบาหญาตของนางสุชาดาเสวยบำลงพระวรก า, ายให้มีกำลังพอสมควรแล้วเวลาจะมาเริ่มต้นปฏิบัติใหม่เนี่ยสัญญาอาดีตก็ปุดขึ้นมานึกถึงในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาพระพีเลี้ยงนางนมพูกพระโอูให้บรรทมอยู่ใต้ตนว่าเวลาปลอดคน พระองค์ท่านก็กำหนดลมหายใจเองใครไปสอนละ่ะไม่มีใครสอนเป็นไปนเองโดยอัตโนมัติตามวิสัยของพุทศพันธ์นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นเองในเมื่อพระองค์มากำหนดโลลมหายใจพระไทยคือจิตจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจ พระสติก็จดจ้องอยู่ที่ลมหายใจพระจิตรู้อยู่ที่ไหนพระสติก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ทรงเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งโคตประัติเขียนว่าได้บรรลุประทมาชานใช่ไหมเล่นี่อย่าลืมสิทีนี้เมื่อพระองค์มาแล้วเลือกถึงที่ตรงนี้พระองค์ก็ทรงกำหนดรู้ลมหายใจทันที แต่ว่าเมื่อพระองค์กำหนดรู้ลมหายใจตามวิสัยของพุทธสัพพันธ์อยู่พระจิตของพระองค์ก็สงบแล้วก็ตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งว่างอยู่ในสว่างอยู่ในถ้ำกลางพระบอลระกายแผ่ละชีออกมาคุมกายทั้งหมดรู้ทั้งภายนอกและภายในรู้แต่ภเสียนจนจบประบาทรู้ทั่วทวนหมดพระอวัยวะต่างๆภายในพระบระกายที่รู้ทั่วทวนหมด กายกติาสติที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นในขณะนั้นในสมัยนั้นเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์ตรัสรู้ทีนี้เมื่อจิตไปสงบจับจังอยู่ภายในกายจนสงบละเอียดลงไปแล้วทิ้งกายกายหายไปจิตกระโดดขึ้นไปอยู่อากาสานันจายัชนะวิญญานันจายัชนะ แล้วก็ไปสร้างพลังจิตยอยู่ที่วิญญาณัญญาเจตนะพอได้พลังแล้วก็จิตเบ่งบานแผ่รัศมีคลุมโลกโลกทั่วควรหมดในจักรวาลนี้สิ่งใดที่โปรองไม่รู้ไม่เห็นไม่มีตอนนี้มัง้งจิตระหัดโล ก, กัวิโทผู้รู้แจ้งสึ่งโลกที่เราสวดจอยู่เนี่ยทีนี้ในเมื่อรู้แจ้งแล้วก็ นนพิจารณาปุ้เกนิวาสานุสติยานจบลงในปฐมายามจูตูป่าปาติยานกรรมัสกตาญาณจบลงในมัชชิมายามแล้วพิจารณาอาสวัยายานจบลงในปัจจิมายามเป็นอันว่าพระองค์ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองชอบแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องไปใช้เวลาพิจารณาปฏิตจสมบาบัต อยู่ใต้ลมต้นไม้ราชายตนะนตลอดเจ็ดวันถึงแน่พระไทยอย่างแท้จริงว่าเราได้ตรัสรู้อย่างแท้จริงแล้วนี่คือปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาดังนั้นใครข้องใจในวิธีการก็ให้นึกถึงตอนนี้ให้มากๆมันจะได้หายสงสัยราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญสมาธิอาศัยสมาธิตามหลักของธรรมชาติ ธรรมชาติของร่างกายก็คือการหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจมีอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตก็เป็นภาตุรู้รู้สึกรู้นึกรู้คิด รู้เสือกู้นื้กรู้คิดแม้ทั้งหลับทั้งตื่นหลับแล้วไปรู้อะไรไปคิดอะไรก็ไปคิดฝันล่ะสิคิดไปฝันไปคิดไปฝันไปความฝันนั้นก็คือความคิดอันนั้นเป็นธรรมชาติของจิตในเมื่อพระองค์เอาธรรมชาติสองอย่างนี้มาสัมผัสกันเท้าเอาจิตตัวผู้รู้มาสัมผัสกับลมหายใจ จิตตัวผู้รู้นี่ก็เป็นปุธะแล้วนะสิ่งลกก็เป็นอารมณ์จิตทีนี้ถ้าว่าจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานทีนี้ในช่วงใดจิตคิดขึ้นมาแล้วสติไปรู้อยู่ที่ความคิดยึดความคิดเป็นอารมณ์ตลอดไปอย่างมั่นคง ความคิดก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐา น, นูลจิตในจิตในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่หรือมีความคิดอยู่สุขทุกข์บางเกิดขึ้นจิตไปกอยู่ที่สุขทุกข์ก็เรียกว่าเวทานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งใดซึ่งจะไม่ ย, ยั่วยุให้เราละเลิกความเพียนเช่นจิตธมิทะอุทจากขุกุจจาวิจิกิจถาหรือการมาฉันทะ จิตมันไฝหาความตกทำให้เกิดความเปรียดค้านนั่งสมาธิไปหน่อยหนึ่งอ้อยมันลำบากนอนดีกว่าเลิกดีกว่านั่นเป็นอาการของการมฉันทะนั่นน่ะทีนี้เนี่เมื่อมันเกิดจากนั่นขึ้นมามันก็เกิดงุหงงสั้นลำคาญขึ้นมาเรียกว่าพยาปาทะสีนมิทะกุธะจากกุจะเกิดความลังเลสงสัยบว่าวะจะเอาจิงหรือไม่จริง เอาแค่นี้หรือจะปฏิบัติต่อไปหรือจะนอนดีกว่ามันก็มาสู้กันถ้าว่าจิตดวงนี้แพ้นี่บอนมันก็ต้องเลิกละการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นสมาธานิจาเป็นนะนักปฏิบัติทัง้งหลายอย่าไปถือว่าจเจริญวิปัสนา ล, นล้วนล้วนวิปัสนาล้วนวนสมาธิไม่ต้องเอา แต่เดี๋ยวบางท่านก็ว่าสมาธิมันเป็นสมาธิหัวหลักหัวต่ออะไรทํานองนั้นโอ้ยอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็นเด้อมีแต่พวกภาวนาไม่เป็นทั้งนั้น่ที่ไปคุยไปพูดกันอย่างนั้นขอโทษนะไม่ใช่ถูกหรอกถ้าคนภาวนาเป็นสมาธิขั้นสมถะนี่แหละสําคัญที่สุดเลยเพราะมันเป็นโอบายขาจัดนิวรณ์ห้า อันเป็นตัวมารร้ายนี่แหละคือตัวกิเลสมารที่มันคอยมาการกั้นปิดกัน้นคุณงามความดีไม่ให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเร่งปฏิบัติให้สมาธิให้ได้สมาธิขั้นสมถะเพื่อทำจิตให้ถึงพุททผูโพโลโพเตินโพเบิกบาน จิตโพโลโผู้ต่นผู้เบิกบานนั่นเป็นจิตโพธะจิตุทธะสามารถะจัดกิเลสตัวสาคัญคือนิบบานให้พ่ายไปและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อทำเจตให้สงบเป็นผู้โลผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรล่ะพุทธังสรนังขจ า, ามิใช่ไหมนะ นีจิตเป็นจิตพุทธะแล้วเมื่อก่อนนี้เราเรียกหาพุทธะโพธโอโพธโอพุทโอททโทพธทโอเรียกอย่างไรพทโพธโธก็ไม่มาหาเราสักทีทินี้พอจิตสงบลงไปนิ่งพักสว่างรู้ตื่นเบิกบานเอ้าก็มีคนภาวนาไม่เป็นมาว่าอีกแหละภาวนาพทโพธโธนี้มันได้แต่สมถะเท่านั้นแหละไม่ถึงวิปัสสนา ถ้าใครเชื่อแล้วก็ล้มเหลวน่จะบอกให้สมาธินี่มันจะติดหรือไม่ติดอย่าไปกลัวมันขอให้มันมีสิ่งที่ติดเป็นพอแล้วคนที่กลัวว่าจิตจะไปติดสมาธิติดสมถะไม่ก้าวหน้านั่นหนหะถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เหมือ น, อนกับคนธ ร, รมาค้าขายอยากเป็นมหาเศรษฐี เอาพอทําไปทําไปพอจะได้เป็นเศรษฐีก็กลัวว่าตัวเองจะไปติดความเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เลิกเลิกทํางานมันก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีสักทีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติถ้าไปกลัวว่าจิตมันจะไปติดสมาธิติดสมถะมันก็ไม่ได้คุณธรรมไม่ได้สมถะไม่ได้สมาธิสักที อิทธิพลของสมาธิขั้นสมาทานเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วมีอำนาจขจัดกิเลสเอในวอนห้าให้หมดไปจากจิตชั่วขณะหนึ่งเพื่อเราจะได้โอกาสบำเพ็ญเพียพรภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้น อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของสมาธิขั้นสมถาะาทีนี้ผลพลอยได้เลอท่านทั้งหลายผลพลอยได้เน่จิตที่เป็นสมถาะาที่รู้ตื่นเบิกบานได้สมาธิซึ่งเป็นจิตพุทธะนี่มีอิทธิพลสามารถที่จะขับพูดผีปีศาจหรือสิ่งแทรกแซง ให้เราเข้าใจผิดในการปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ของเราเผยแผ่ศาสนาในทางสมถะวิปัสสนานี่อุปสรรคตัวสำคัญที่สุดก็คือคนนับถือผีไปที่ไหนจะต้องไปประเชิญหน้ากับพวกเหล่านี้แต่แล้วครูบาอาจารย์ของเราก็ไปเผยแผ่ธรรมะ ให้คนผู้นับถือผีประเชญาณตนถึงพระไตราสาระคมปฏิบัติศีลห้าบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามสติกำลังเลิกการนับถือพูดผีปีศาจแล้วก็มาตั้งอยู่ในพระไตราสาระคมบำเพ็ญสมาธิปัญญาเข้าถึงพุทธธรรมคือสาสนาได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติสิ่งที่ควรระมัดระวังก็ยังมีอยู่อีกมากมายเหลือเกินนักปฏิบัติสมาธิภาวนานี่เผลอไปเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นนับไม่ทวนวิธีการเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นนี่คือทําอย่างไรซึ่งโดยปกติสมาธิที่เราบำเพ็ญแล้วสมาธิในขั้นต้นเนี่ย พอจิตเริ่มสงบลงไปในขั้นต้นคือพอวูบลงไปนิ่งนิดหน่อยร่างกายตนตัวยังปรากฏนี้อยู่กระแสจิตพุ่งไปข้างหน้าเกิดนิมิตขึ้นมาบางทีก็นิมิตเห็นครูบาอาจารย์นิมิตเห็นพระพุทธเจ้า นิมิตเห็นผู้ยิ่งใหญ่พระอิศวรนาลายเทวดาอินพรมทั้งหลายซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษทั้งหลายนั่นแหละใครเคยเป็นไหมลนะ่ะเป็นแล้วเคยไปถามอาจารย์บางองไม่ทันวหวอย่างไรอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าเมื่อเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในตัว ให้น้อมเอานิมิตนั้นเข้ามาในตัวให้มาช่วยสมาธิช่วยยาให้แก่กล้าขึ้นนั่นผิดนะยาโจมทั้งหลายผิดนะจะบอกให้พอนิมิตวิ่งเข้ามาถึงตัวปั๊บสมาธิที่มีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นร่างทรงสมาธิจิปลอดโปร่งจะหนักขึ่งขึ้นมาทันที หัวใจเหมือนถูกปีบจิต ท, ที่เป็นอิสระอยู่ตกไปอยู่ในอำนาจสิ่งของนิมิต ท, ที่เขามาแทรกสิงต่อไปก็ไม่เป็นตัวของตัวแล้วสิ่งที่เขามาแทรกสิงนั่นเป็นเจ้าในหัว ใ, วใจของเราเป็นใหญ่ในหัวใจของเรากลายเป็นล่างสงูงนักปฏิบัติทั้งหลายเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นด้วยประการนี้ ที่นี่้ที่ปฏิบัติที่ถูกต้องทำอย่างไรในเมื่อนิมิตปรากฏขึ้นกำหนดรู้จิตของเราอย่างเดียวถ้ามันคล่องใจสงสัยก็พิจารณาว่าหรือใครจะทำความรู้ในทีโดยไม่ต้องตั้งใจพิจารณาก็ได้ถ้าตั้งใจพิจารณาแล้วสมาธิมันจะถอนเพราะจิตมันเปลี่ยนสภาพ ถ้ามองเห็นแล้วให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่อย่าไปสนใจในนิมิตนั้นเพราะนิมิตนั้นเป็นมโนภาพที่จิตของเราสร้างขึ้นมาเองเมื่อเรามีสติกำหนดรู้นิมิตเฉยอยู่เพ่งดูเฉยอยู่บางทีนิมิตที่เรามองเห็นนั้น ร่างของเขาเนื้อหนังจะผุพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็จะซดพวบลงไปแหลกละเอียดหายสาบสูญไปในผืนแผ่นดินแล้วบางทีก็จะเปล่ากฏเป็นโครงกระดูกขึ้นมาอีกเนื้อหนังงอกขึ้นมาอีกแล้วก็ซดลงไปอีกสลายตัวลงไปอีกหากกําหนดหมายรูอยู่อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง แลาะในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจิตใต้สำนึกของเรานี่บันทึกเอาไว้แล้วสิ่งที่เป็นนิมิตนั้นก็คือมโนภาพของเราที่มันปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่อื่นไกลแต่มโนภาพนี่เราแสนร้ายถ้าหากว่าเราเข้าใจผิด นึกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วก็น้อมเข้ามาในตัวจะกลายเป็นการทรงผีงั้นอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากเราฉะนั้นสมาธิขั้นอปนาสมาธิหรืออุปจาระสมาธิที่ทรงดำรงอยู่ได้นา น, านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องเอาให้ได้ เพราะมันเป็นฐานสร้างพลังของสติปัญญานอกจากจะสร้างพลังของสติปัญญาแล้วยังสร้างอิทธิฤทธิ์สามารถป้องกันสิ่งที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เดี๋ยวนี้ผีมันมีอิทธิพลมากแล้วนะเมื่อก่อนนี่คนเฒ่าคนแก่เขากล่าวว่า ผ้าผีหลอกผีไล่ให้วิ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วผีมันจะไม่กล้าตามเข้าไปในโบสถ์แต่เดี๋ยวนี้มันกลับตรงกันข้ามนะผู้เจริญทั้งหลายผีมันเข้าไปเหยียบตมูกหนพระแม่แต่ในโบส์ มันเข้าไปประทับทรงคนอยู่ต่อหน้าพระประธานในบุถด้วยนี่แสดงว่าอิทธิพลของนักปฏิบัติของเรานี่ได้อลงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามเปิ่นฟูขนบประเพณีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ แล้วพยายามทาจิตให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์อย่างแท้จริงคือทาจิตให้สงบเป็นสมาธิรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะเมื่อเราได้สมาธิจิตในขั้นนี้แล้วเราสามารถที่จะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้เสื่อมโทรมได้เพราะไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรก ส, สิงหรือมาปั่นสมองให้เรากลายเป็นอื่น ว่างานจริงจำเป็นเอาละ ว, วันนี้อารมะได้รรยายธรรมะเกี่ยวกับปรับการปฏิบัติและประสบภการต่างๆแล้วก็ได้นำโอวาทของครูบาอาจารย์มาวิจัยสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประการศะะนี้